จเจริญพรทุกท่านพวกเราไม่ไปเที่ยวสงกรานต์เมื่อก่อนหลวงพาอทำงานอยู่ในกรุงเทพชอบกันสงกรานต์สงกรานต์นี้จะไม่ออกจากกรุงเทพมันน่าอยู่มันเงียบไม่ต้องแย่งกันทุกคนทุแห่งคนที่แย่งกันออกไปข้างนอกเหนลําบากเราอยู่เงียบสงบสบายพาวนา นักปฏิบัติคือคนหลงโลกไม่เหมือนกันคนหลงโลกก็จะคอยดูเมื่อไรมีวันหยุดนะหาทางหยุดงานจะ ไ, ได้ไปเที่ยวออกเที่ยวนอนเที่ยวนี้ไปเลยหลวง้าอตั้งแต่เป็นโยมได้ปฏิทินมาก็เริ่มวางแผนว่าช่วงไหนจะไปวัดถ้าหยุดสั้นๆก็ไปวัดใกล้ๆหน่อยถาลาได้หลายๆวันก็ไปวัดไกลๆ สมัยลวงปูดด่โตนยังอยู่ก็ไปอยู่สุรินทร์มาก็ไปอยู่หินมะเป้งอยู่ที่ไกลๆอยู่ทํามักปลงใช้เวลาซนะึ่งพักพวกเขาเห็นนะเขาหัวล้อยกตะเถนไม่รู้จักหาความสุขในโลกเลยเพราะเขามีความสุขเราเนี่ยถึงเวลาก็เข้าวัดไม่เห็นจะ ด, ดีตรงไหนเลย มาถึงวันนี้ในพวกที่หลงโลกเขาไม่มีอะไรเหลือแล้วแกแล้วบางคนก็เป็นประลัดกระทรวงเป็นอาทิมณีเป็นผู้ว่ารายการจังหวัดเป็นเอกมาราชทูตตอนนี้เป็นพว ก, กเกษียณอายุเคยใหญ่เคยมีอำนาจก็ไม่มีแล้วอยากเข้าวัดกันตอนนี้นะอยากเข้าวัดเลยากภาวนาบ้าง เราก็อยากจะบอกก็นะช้าไปแล้วต่อยนีไอต้ตอที่มีเลี่ยวมีแทงมีกำลังนะไม่ทำจะรอจนหมดกำลังแล้วก็จะทำสมัยมีกำลังนล้วก็เอากำลังไปทุ่มเทแย่งของสมมติในโลกแย่งชื่อเสียงแย่งตาแหน่งแย่งทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศอยากได้ใครๆก็อยากได้ ถาว่าผิดไหมไม่ผิดหรอกแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะรู้นะว่าของดีของวิเศษที่ยิ่งกว่าเรื่องทางโลกโลกมันมีอยู่หลวงพ่อตั้งแต่เด็กนะ mm hmm. เกิดในครอบครัวชนชั้นกลางไม่ร่ำรวยอะไรหรอกแต่ไม่อดหรอกตั้งแต่เล็กๆ เ, เลยผู้ใหญ่ก็พาเข้าวัดยังเดินไม่ได้นะยังนอนในบ่อเลย ถึงเวลาเข้าพรรษาผู้ใหญ่ยกเราไปทั้งบ่แล้วไปนอนเป็นนอนอยู่ข้างธรรมมาสเวลาพระเทพตลอดพรรษ า, าอยู่อย่างนะั้นทุกวันทุกวันโตขึ้นมาเราก็ไม่ยอมนอนอยู่กับที่แล้วก็วิ่งเล่นในวัดช่วงไหนที่พระท่านเทศนิทานชาดกแนละ้วเราก็วิ่งกลับมาฟังช่วงไหนเทศเรื่องอะไรเสียงยานยานยืยยุนเราก็ห น, หนีไปวิ่งตอบ โตขึ้นมาหน่อยเจ็ดขวบพ่อก็พาไปหาท่านพอีแล้ว่อหนาท่านสอนให้พหาวนาจับใส่ตักแล้วสอนหายใจเข้าูุให้ใใจออกโทนับหนึ่งนับสองนับสามไปเรื่อยครูวอาจารย์ให้ทานันทํมันชอบที่จะปฏิบัติถึงเวลาก็สนเหมือนเด็กเนิ่นๆแต่ว่าทุกวันปฏิบัติตอนเด็กๆไปดูสมุดพกที่ครูเขาเขียน เขาบอกว่าโซ น, นบอกหลวงพ่อเป็นเด็กที่โซนมากเลยแต่เรียนหนังสือเก่งน ะ, น, ะนะแล้วก็ไม่ทิ้งการภาวนาฝึกมาเรืแต่มาทํางานกลางวันกินข้าวเสร็จเดินไปวัดทําไมต้องเดินไปวัดถ้าเราเดินจงกรมอยู่ในที่ทํางานนะคนมันจะค้อนขอดกิเลสเราก็แรงนะมันจะมีกิเลสมันล้างกิเลสไม่ได้สักตัว ถ้าเกิดเรามโหดโตกโสเพื่อนสักวันนะมันจะค่อนขอดหนักเลยว่าเห็นเข้าวัดมาตั้งนานแล้วไม่เห็นจะดีเลยซูชนะั้นไม่ได้ชั้นยังดีกว่านะงั้นเราภานาเนี่ยไม่ให้เขารู้หรอกเดินจงกลมด้วยการเดินแต่วัดข้างๆที่ทำงานกิเข้าวแล้วก็เดินถ้าวันไหนฝนตกก็เข้าห้องสมุดมาอานพระเตปิดนะคนก็แซวนะมันไม่เห็นไปเที่ยว ไม่รู้ว่าเราก็เที่ยวนะเดี๋เราเที่ยววัดได้ฝึกอย่างนี้มาได้ตกเยน็นเลิกงานแล้วก็กลับบ้านมีเวลาก็าภาวนาะวันไหนเหนื่อยมากเลยจิใจฟุ้งซ่านซื้อหนังสือการ์ตูนมาอ่านดูการ์ตูนให้ใจสบายใจผ่อนคลายก็ภาวนาต่อกลางคืนตื่นมากลางคืนก็าภาวนาไม่เดินด้วยถ้าเดินแล้วมันทําง่าย ยาเวลากลาคืนนะเรารุกขึ้นเดินนะถ้าเดี๋ยวๆจิตก็ตื่นแล้วแต่นั่งเนี่ยทํายากนะนั่งเนี่ยทํายากกว่าท่าทาเดินถ้าะลวงพอนั่งนั่งอยู่บนเตียงนะถ้าจิตไม่รวมจิตไม่สงบจิตไม่สว่างนะหรือจิตไม่เดินปัญญาเป็นที่พอใจนะไม่นอนต่อเนี่ยฝึกของเราทุกวันทุกวันนะนานไปมัเขาเห็นผลใจเรามันคลายออกจากโลกมันห่างโลกออกมา เราเห็นคนในโลกนะั้นวุ่นวายเน็ดเหนื่อยนะแย่งชิงสิ่งซึ่งเราเห็นว่าไม่เห็นมีสาระตรงไหนเลยมาถึงวันนี้เขาจะรู้แล้วว่าไม่มีอะไรเลยกลายเป็นตาแกเป็นยายแก่ที่หมดเรี่ยวหมดแรงเ่าได้เองในขณะที่เราภาวนามาแต่เรนะิ่มฝึกมาให้่เรื่อยเรามีความอิมวินใจนึกถึง ลมหายใจเข้าออกเราก็มีความสุขล้วไม่ต้องไปหาความสุขที่ไหนนึกถึง พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็มีความสุขแล้วนึกถึงว่าวันเขาหน้าจะตายก็มีความสุขแล้ะใจมันจะมีแต่ความสุขมีความเต็มมีความอิ่มอยู่ในตัวเองจะแก่หรืจะเจ็บหรือจะตายอะไรเนะี่ยเราฝึกไปเรื่อยๆใจมันไม่หวั่นไหวใจมันมีความสุขจุดหมายปลายทางของพวกเราชาวพุทธนะก็คือ ต้องยกระดับใจของเรานะไปสู่ความดับสนิทแห่งทุกข์ให้ได้ต้องทนทุกข์ให้ได้ถ้าทนทุกข์แล้วไม่มีความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนคนในโลกเนี่ยเกลียดทุกข์กลัวทุกข์อยากมีความสุขวิ่งหาความสุขนะมีความอยากเกิดขึ้นคือมีตันหาเกิดขึ้นแล้วก็วิ่งหาความสุขนะดิ้นรนไปเรืยแต่แย่งชิงกันได้มาก็ดีใจดีใจหน่อยหนึ่งนะก็อยากได้อย่างอื่นต่อไปอีกอย่างเวลาเลื่อนขั้นเริ่อนซีนะเลื่อนซีไปแล้ เดี๋ยวก็อยากเลื่อนอีกแล้วเลื่อนจนถึง41ไม่รู้จะเลื่อนไปไหนไม่อยากเป็นรัฐมนตรีต่ออีกนะ ใ, นใจมันก็อยากอยากหลอกให้เราวิ่งตลอดชีวิตเลยความอยากนั่หลอกให้วิ่งไปเรื่อยๆมันไม่มีวันหยิมไม่มีวันเต็มนะตัาบในที่เราไม่รู้จักตัวเองนะไม่รู้จักเฉลียวใจว่าอะไรคือสิ่งที่มีสาระในชีวิตเราอย่างแท้จริงเนี่ยเราจะวิ่งไม่เลิกถูกความอยากถูกตัณหาเนี่ยพาให้วิ่ง วิ่งแล้วก็ดิ้นรนดิ้นรนแล้วก็ทุกขนะ์ได้มาเพืวันหนึ่งจะเสียไปไม่มีอะไรที่ได้มาแล้วไม่เสียไปเลยนะยกเว้นธรรม ะ, นะธรรมะอยู่กับเราข้ามภพข้ามชาติเลยนะคุณงามความดีทั้งหลายอยู่กับเราข้ามภพข้ามชาติสะสมไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่มันเต็มมันอิ่มมันรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจสีมันรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจสีเนี่ยจะจะปล่อยวางความยึดถือในขันห้า ปล่อยวางความยึดถือในรูปในความรู้สึกสุขทุกข์ในความจําได้หมายรู้ในความปลุงดีปลุงชั่วในความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวจิตปล่อยตัวจิตด้วยพอปล่อยหมดแล้วนะใจมันเป็นอิสระใจของเราไม่มีความบิดเป็นอิสระมันอยู่อยู่ตลอดเวลาแล้วนก็ไล่ตะครุบเราคิดว่าเราได้มาแต่ความจริงก็คือเราตกเป็นทาตของสิ่งที่เราไปเที่ยวได้มานะ่ะ เราอยากได้อะไรเราดิ้นรนได้มาแล้วเราก็ต้องดูแลรักษารักษาไม่ได้ถึงยังไงวันหนึ่งมันก็ต้องไปใจเราก็เศร้าหมองเราเหน็ดเหนื่อยมากมายนะเพื่อจะเอาสิ่งซึ่งไม่เที่ยงเหน็ดเหนื่อยมากมายนะเพื่อจะเอาของที่มันเป็นทุกข์เหน็ดเหนื่อยมากมายเพื่อจะเอาของที่รักษาไว้ไม่ได้ถ้าเรารู้จักฉลาดเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนของดีของพิเศษให้ ธรรมะของท่านนะ่ะเหมือนเพชรเหมือนพลอยนะมันของมีค่าคนมีปัญญาเท่านั้นแหละจึงจะรู้จักมองออกว่าก้อนหินก้อนนี้ถ้าเจรไนออกมาแล้วเป็นเพชรคนส่วนใหญ่มันไปเล่นก้อนกรวดเจ็บก้อนกรวดก้อนหินก้อนดินก้อนทรายอะไรเนึเน่งว่าของดีของวิเศษเพราะไม่มีปัญญาที่จะแยกแยะเขาก็หลงกับโลกไปเรื่อยๆมันสงกรานตีก็ไปเหยียหารถความตายไปทั้งเยอะแยะะพวกเรา วันสงกลานทีสบายอยู่บ้านเงียบๆนั้นภาวนาได้ตั้งหลายวันนะมีบรรยุดจนะิตใจมันได้คุณค่าที่แตกต่างกันมากเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ล้มลูกครุกครานนะไม่มีหรอกครูบาอาจารย์ที่มีเศษ ม, มิโสเมตตแต่เกิดนะเหน็ดเหนื่อยยากลำบากมาแล้วทั้งนั้นนะต่อสู้มาเพื่อยกระดับใจของตัวเองก็โลกนี้มันดึงดูดไม่ให้ใจเราพ้นเหมนอนจะดึงเราไ้ตลอดเวลาเลยนะ สิ่งแรกเลยสิ่งหยาบที่สุดเลยที่ดึงเราไว้ก็คือกามกามก็คือความติดอกติดใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอย่เดี๋ยวก็อยากดูหนังเดี๋ยวก็อยากฟังเพลงเดี๋ยอยากกินของอร่อยนะแล้วก็อยากสนุกสนานคิดอะไรที่เพลิดเพลินทางใจเรียกว่ากามธรรมวันวันนั้นก็หมดหมวกมุ่นไปในเรื่องเหล่านี้ไม่ได้รู้ว่ารูปที่ได้มานะไม่นานก็เสียไป อยากเห็นรูปที่สวยบางทีก็เห็นรูปไม่สวยอยากได้เสียงที่ดีบางทีก็ได้เสียงที่ไม่ดีเราเลือกไม่ได้สักอย่างหนึ่งเมื่อเราไปฝากชีวิตไว้กับของที่เลือกไม่ได้เราไปฝากชีวิตฝากความสุขของเราไว้กับของที่แปลกลวนมันก็ไม่มีความสุขไม่มีความเต็มความอิ่มนะไม่หิวไปเรื่อยๆเรามาหาธภาวนาตามทางที่พระพุทธเจ้าท่านสอนรู้สึกกายรู้สึกใจดูไปเรื่อยๆ จุดหมายปลายทางของเราคือความดับสนิทแห่งทุกข์เมืออย่างเวลาคนไปขอปวดกับพระพุทธเจ้าสมัยแรกท่านปวดให้เองเนี่ยท่านจะบอกสามสี่ประโยชนเองนะท่านบอกว่าเธอจงมาเป็นภิกษุเถิดนะธรรมะที่เรากล่าวไว้ดีแล้วเนี่ยเธอจงประพฤติประมาจันะเพื่อความดับทุกขนะ์ดับทุกข์แบบสัมมาแบบถูกต้องอนะ่ะะดับทุกข์โดยชอบโดยวิธีที่ถูกต้องเพราะนั้นจริงๆแล้วจุดหมายปลายทางเนี่ยเพื่อความดับทุกข์ รับทุกด้วยวิธีที่ถูกต้องตั้งแต่สัมมาทิฏฐิยานสัมมาสมาธิย่อลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญาสิ่งเห่านี้เราสะสมไปตอนที่เราสะสมศีลสมาธิปัญญาของเรานะคนอื่นมันจะหัวเล้อย่ะเราไปก่อนให้เขา้าหัวล้อยไปเถอะแล้ววันหลังมันต้อมากลับมาไหว้เรานะอยากมีความสุขอย่างเราบ้างมาถามเลยทำไงจะได้ภาวนาอย่างท่านเออั้องภาวนาแต่เจ็ดควบ แต่ตอนนี้มันหกสิบกว่าจะทำยังไงไม่เป็นไรทำดีเอาไว้นะเดี๋ยวชาตินหน้าไปพวนาแต่เจ็ดขวบใหมนะ่ก็ชาตินหน้าเจ็ดขวบเพราะลืมอีกนะก็ไปเพลินอีกเนาะเคยเพลินอ่ะงั้นสิ่งที่หลวงพ่อบอกให้นะมีคุณค่ามหาศาลวันนี้วันเดียวสองวันปีหนึ 1, ่งสองปีบางคนอาจจะไม่รู้สึกแต่ถ้าสะสมไปเรื่อยนะผ่านวันเดือนปีไปนานๆเนี่ยเราจะพบความแตกต่าง คนรอบๆตัวเราที่เขาไม่ภาวนาดูน่าสงสารดูปนเปื้อนโสโครกมัมแมมดูไม่มีทิศทางของชีวิตคล้ายๆว่ามีชีวิตตามๆกันมาตอนเด็กๆเ็ตามเขาเรียนหนังสือเขาเรียนตามเข้าไปเขาทำงานก็ตามเข้าไปเขามีครอบครัวก็มีตามเข้าไปเขามีอะไรก็อยากมีตามเข้าไปเรื่อยๆสุดท้ายก็เสียทุกอย่างตามเข้าไปอีกไม่มีอะไรที่จะได้มาสักอย่างนึงในขณะที่พวกเราเนี่ยตอนนา ทุกวัเรามีศีลเรามีสมาธิเรามีมามปัญญาเราสะสมไปเรืใจเรามันมีทรัพย์สมบัติที่วิเศษขึ้นมานะเรียกว่าอริยทรัพย์ใจเรานะ่ะค่อยฉเฉลียวฉลาดปลัดเปลืองขึ้นมานะค่อยปลอดโปร่งโล่งเบามีความสุขรู้เนื้อรู้ตัวนะเข้าใจความจริงของโลกเข้าแใจความจริงของชีวิตมากขึ้นในขณะที่คนอื่นนะถึงจุดหนึ่งในขณะที่คนอื่นเศร้ามองเนะี่ยเราผ่องใสนะเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะผองใสเนื้อคนอื่น เราฝึกเพื่อว่าเราจะพ้นจากความทุกขนะ์เป้าหมายไม่ได้ฝึกเอาชนะคนอื่นหรอกฝึกที่ได้เข้าหัวล้อยยอเราด้วยซ้ําไปนะพวกเราที่สนใจธรรมะถูกหัวล้อยย่อบ้างไหมว่าไี้พวกตัดเถรยายชียอะไรเงี้ยนะวันวั น, วนคิดแต่จะเข้าวัดนะคนเดี๋ยวนี้มันด่าพระแหลกลานเลนะมันไม่รู้ว่าพระมีหลายจําพวกเป็นตามั่วๆด่ารวมๆกันนะั้นแล้วบาปใส่ตัวเอง ศีลเราดีหรื อ, อยังวันนี้สำรวจใจนะใครรู้สึกว่าศีลดีขึ้นบ้างยกมือซียกมือหน่อยใครรู้สึกศีลดีขึ้นบ้างอนุโมทนานะใครรู้สึกว่าเลวลงมีไหมไม่มีเลยเหรออาจซจันหนอ <laughs> อนุโมทนานะไม่ดีขึ้นก็อย่าให้เลวลงนะแค่ไม่ดีขึ้นเนี่ยระยะยาวพอตื่ว่าใช้ไม่ได้นะ พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าวท่านไม่สารเสริญความดีที่หยุดอยู่กับที่เราต้องค่อยๆพัฒนาให้ดีขึ้นไปได้ได้ไดใกล้ความพ้นทุกข์ไปได้ๆใครที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวได้เยอะขึ้นยกมือให้หลวงพ่อดูหน่อยสิก็เยอะนะอยู่กับเนื้อกับตัวแบบสบายหรืออยู่แบบหนักๆใครอยู่แบบหนักๆยกมือให้ยังหนักอยู่ จริงเลพวกที่ยกน่ะจริงแต่พวกที่ไม่ยกกัน บ, บางคนก็ไม่จริงนะหน้าตาบางคนมันยังหนักอยู่หน้าตาภาวนาเ น, นี่ยใจมันเครียดเคียหนักแน่นอึดอัดใครรู้สึกว่ากายกับใจเป็นโคล่าอันยกเบอรเซ่โอ้เยอะนะอนุโมทนาสาธุเลยนะ ตรงนี้เป็นจุดตั้งต้นที่สําคัญที่สุดเลยของการเจริญปัญญาถ้าแยกรูปนามไม่ได้เจริญปัญญาไม่ขึ้นหรอกถ้าแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันได้เนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาเห็นรูปแต่ละรูปเห็นนามแต่ละนามนะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นแต่ละตัวแต่ละตัวตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ถ้ามันไม่แยกรูปนามขันห้ารวมเป็นก้อนเดียวกันเนี่ย มันจะดูไม่ออกเลยว่าเกิดดับเพราะตัวโน้นเกิดตัวนี้ดับอนะไรอย่างนี้วุ่นวายตลอดเวลาดูไม่ออกหรอกว่ า, ว, า, ว, าว่ารูปนามทุกตัวเกิดดับนะมันจะรู้สึกว่าเราเที่ยงมันจะรู้สึกว่าเรามีตัว ต, ตนอยู่ที่แท้จริงนะแต่ถ้าขันเราแยกได้เนะี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าตัวตนที่แท้จริงไม่มีตรงที่เราสามารถแยกขันออกไปไดนะ้แยกรูปแยกนามได้เนะ่เลขาณะขณนะะมันแตก คณะคือคอระครังนอนหนูนะไม่ใช่คอควายนอนเอ็นคณะต้องขึ้นจมูกนะคณะเียนคะณะมันแตกคณะเนี่ยเป็นตัวปิดบังอนัตตาถ้าจราบใดที่คณะไม่แตกนะเราจะไม่รู้สึกถึงความเป็นอนัตตาส่วนสัน ต, ติคือความเกิดดับสืบเนื่องกันอย่างรวดเร็วนี่ปิดบังทำให้เราไม่เห็นอนิจจ์นะในจิตเนี่ยเกิดดับสืบเนื่องกันอย่างรวดเร็ว เราก็เลยคิดว่าจิตเที่ยงจิตมีดวงเดียวจิตเมื่อชาติก่อนกับจิตเดียวนี้จิตดวงเดิมจิตเดี๋ยวนี้ก็จิตชาติหน้าก็ยังดวงเดิมฉันนั้นเพราะไม่เห็นว่าสันตติมันขาดนะส่วนที่เรารู้สึกว่าตัวเรามีตัวเรามีอย่างแท้จริงนะเพราะคณะมันไม่แตกเนะน้นแล้วพอเราไาค่อยๆแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกไปนะเมื่อกี้ที่ยกมือนะก็ประมาณครึ่งห้องนะที่บอกว่าแยกกายกับใจได้ แล้วคนไหนแยกความรู้สึกกระใจได้บ้างยกมือซีสุขทุกข์ดีชั่วกระใจนี่เป็นคนละอันกันเรายกให้หลวงพ่อดูมั้งแสดงว่าแยกไกากระใจได้เยอะกว่าแยกนามาทำกระใจนี่น้อยกว่าที่แยกไกากระใจได้แยกอะไรก็ได้นะอย่างน้อยขอให้มี2งานถ้ามี2งานเช่นร่างกายมันหายใจอยู่ใจเราเป็นคนดูร่างกายหายใจออกใจเป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดู ร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูอย่างนี้มันจะเริ่มเห็นความจริงร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะแล้วใจที่เป็นคนดูเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นคนดูเดี๋ยวก็ไม่ดูเดี๋ยวก็หลงไปแล้วนะก็แสดงความไม่เที่ยงให้ดูได้เหมือนกันทั้งกายทั้งใจค่อยๆฝึกนะค่อยๆสะสมของเราไปผ่านวันเดือนปีไปแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านะั้นมีคุณค่าที่สุดเลยของอื่นไม่มีคุณค่าอย่างแท้จริง มีประโยชน์ก็ชั่วครั้งชั่วคราวนะเดี๋ยวถึงวันหนึ่งก็หมดประโยชน์ไปแต่ธรรมะเนี่ยติดตัวเราข้ามข้อข้ามชาติไปคนไหนที่เวลารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกนะวิรู้สึกตัวครั้งแรกอะแล้วก็เกิดระลึกขึ้นได้ว่าความรู้สึกแบบเนี้เคยมีมาแล้ว่มีบ้างไหมยกมือให้หลวงพ่อดูซออิที่ใจมันตื่นขึ้นมาครั้งแรกแล้วภาวะแบบเนี้ยเคยเป็นมาแล้วพวกนี้เคยภอวนามานะ มันข้ามพบข้ามชาติมามันติดตัวเรามามันติดใจเรามาแล้วเราค่อยๆสะสมไปความชั่วมันก็ติดอยู่ในใจเรานะเรียกว่าอนุสสยสะสมไปเป็นอนุสัยเป็นสันดาลความดีมันก็เป็นบา ร, รมีของเรานะีสะสมเข้ามาในใจเหมือนกันเราเคยฝึยกแยกธาตุแยกขันนะอยู่ๆขันมันก็แยกได้หรือเราเคยฝึกให้จิตตั้งมั่นนะเวลาเกิดอะไรที่ตื่นเต้นหน้าตกใจ จิตไม่ติดทางขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บอกความขึ้นมาได้เองเลยเพราะว่าชาติก่อนๆมันเคยทำํำนะส่วนทรัพย์สินในชาติก่อนตอนนี้อยู่ที่ไหนหาไม่เจอแล้วใช่ไหมทรัพย์สินในชาตินี้ยังไม่ค่อยเจอเลยนะยังไปหาทรัพย์สินในชาติก่อนนะหาไม่เจอแล้วแต่ธรรมะเนี่ยตามเรามานะมของที่ติดตัวเรามาสะสมไปเรื่อยๆนะทําทานถือศีล ฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวนะจเจริญปัญญาแยกขันแฟนเห็นธาตุเห็นขันแต่ละธาตุแต่ละขันทํางานนะเกิดดับบังคับไม่ไดนะ้แต่ละตัวแต่ละตัวถูกบีบคั้นให้แตกสลายนะตรงที่เห็นว่ามันมีแล้วมันไม่มีเรียกว่าอนิจจังนะตรงที่สิ่งที่กําลังมีกําลังถูกบีบคั้นให้ไม่มีให้แตกสลายเรียกว่าทุกขังสิ่งทั้งหลายจะมีหรือไม่มีเราสั่งไม่ได้เรียกว่าอนัตตา เนฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปนะเรียนให้เห็นความจริงให้รู้ความจริงถึงจุดที่ใจมันหยิ่มใจมันเต็มก็จะฉลาดขึ้นมาปัญญาก็สะสมไปเรื่อยๆปัญญาในเบื้องต้นเราจะเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีรูปธรรมมีอยู่แต่รูปธรรมไม่ใช่ตัวเราอย่างนี้เราหานั่งหายใจไ้นะเราเห็นร่างกายหายใจนะียเรารู้สึกเลยร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า เหมือนเปลือกเหมือนโครงอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนถ้านะที่จิตอาศัยอยู่ข้างในตัวมันก็เพิ่มไปก็เพิ่มมาสะเทือนไปสะเทือนมาแต่มันไม่ใช่ตัวเรานะใจจะรู้สึกถึงถอดถอนความเห็นผิดว่าร่างกายเป็นตัวเราดูลงไปอีกเวลามีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายหรือความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยเกิดขึ้นในจิตใจเราก็ดูเข้าไปอีกนะใจเราเป็นคนดูอยู่เราก็จะรู้สึกเลยว่าความสุขความทุกขนะ์ไม่ใช่ร่างกาย ความสุความทุก์ไม่ใช่จิตใจมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเป็นสภาวะธรรมอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยเราค่อยๆหัดดูสภาวะไปนะแต่ละสภาวะมันจะสอนให้เราเห็นในความจริงของมันคือมันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเดี๋ยร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยทุกคนลองยิ้มหวานๆก่อนยิ้มหวานๆแล้วรู้สึกไหมร่างกายกําลังยิ้มเราขยับมือ ขยับสบายนะไม่ต้องเกรงขยับสบายสบายรู้สึกไหมร่างกายขยับมือแค่รู้สึกนะไม่ต้องจ้องทําใจกลุ้มกลุ้เครียดเครียไม่ต้องนะรู้สึกสบายสบายแต่อย่าถึงขนาดนี้นะมันเวอร์ไปนะไมันจะอกมากไปขยับขยับให้สบายนะแต่อย่า ง, นนงเนี้ยนั่งเคาะเนี่ยก้มผ้าเขียวเนะี้ยคาแต่ใจลอยนะอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะนะถ้าเคอไปรู้สึกตัวไปนะ รู้สึกตัวปลุกตัวเองเตือนตัวเองว่าร่างกายมันยังมีอยู่นะเตือนตัวเองค่อยรู้สึกไปนั่งนั่งกนง็นั่งนวดตัวเองไปก็ได้นะบางครั้งหลวงพ่อทํำกรรมฐานนะบางครั้งจิตมัวมากเลยมีมัหามากหลวงพ่อนั่งนวดตัวเองเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกไปร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเรานะลองสัมผัส ด, ดูสิลองนวดด้วยใจที่สบายร่างกายมันบอกไหมว่ามันเป็นเรามันไม่บอกหรอกนะ มีอยู่คราวนะตลกมากเลยหลวงพ่อพาเพื่อนๆ น, นะขึ้นไปถ้ำผาปล่องไปกลับโลวงู่สิงหลวงปู่ก็พานั่งขัดสมาธิเพชรนะนั่งขัดสมาธิพอนั่งไปชั่วโมงกว่าท่านก็เทศไปเรื่อยๆชั่วโมงกว่าท่านก็เลิกปรนะากฏว่าไปกันหลายคนนะนั่งไม่ได้ตลอดขัดสมาธิเพชรได้ตลอดอยู่สองคนเนะี่ยพี่คนหนึ่งกับหลวงพ่อ สองคนเท่านั้นที่นั่งได้ตลอดแต่ว่าเหลือฝืนเลยแค่ขาแทบหักเลยนะแต่ว่าสู้ตายนะไม่ยอมถอยแล้วคนหนึ่งก็าไปพับเพียบบ้างนั่งอย่างงนพลิกซ้ายฟิกขวาไปบ้างเสร็จแล้วหลวงปู่ก็ถามง่ายนั่งขัดเทสเมื่อยไห ม, มพี่คนที่ไปด้วยเมื่อยครับหลวงปู่ถามขามันบอกว่าเมื่อยเหรอนะเมื่อยจริงๆผมไม่หลอกหลวงปู่หรอก <gaze> พูดกับคนละเรื่องนะ หลวงปู่กำลังสอนกรรมาฐานใช่ไหมขามันไม่ใช่ตัวเรานะขามันไม่ใช่ตัวเรานะขาไม่เห็นโบนเลยนะขาเป็นคนเมื่อยนะแต่ขาไม่โบนเลยไอคนที่เป็นคนดูเนี่ยมันไปโบนแทนขานะเนี่ยพวกเราเคยรู้สึกสิบางคนนั่งพัดเห็นไหมร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเรานะยิ้มหวานรู้สึกไหมร่างกายที่ยิ้มไม่ใช่ตัวเราเนี่ยหัดรู้สึกไป รู้สึกสม่ำเสมอนะจะทําอะไรจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะกรรมฐานสําหรับพวกเราหลายคนนะที่หลวงพ่อบอกให้ไปทําไปกวาดบ้านไปกวาดบ้านไปถูบ้านไปทํางานบ้านนะทําอะไรก็ได้นะให้ให้ร่างกายเคลื่อนไหวแล้วลคอยเห็นร่างกายมันทํางานใจเป็นคนดูมันจะเห็นความจริงเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเหมือนเปลือกอะไรอย่างหนึ่งเหมือนหุ่นยนต์อะไรสักตัวหนึ่งที่มันทํางานของมันได้เองนะมันไม่ใช่ตัวเรา แล้วต่อไปก็หัดดูให้มันเยอะขึ้นนะเราจะเห็นเนีร่างกายเนี้ทํางานไปมากๆปวดมันเมื่อยเราจะเห็นว่าความปวดความเมื่อยนะมันไม่ใช่ร่างกายมันมาทีหลังร่างกายมันกวาดบ้านอยู่พักหนึ่งแล้วความเมื่อยไม่ค่อยเข้ามามันไห้ความปวดความเมื่อยกับร่างกายเนี่ยคนละอันกันใจเป็นคนดูใจเป็นคนดูปุ๊บนะมันจะรู้สึกว่าความปวดความเมื่อยกับใจก็เป็นคนละอันกันมันจะไม่ใช่เราเมื่อย่าแล้ะความปวดความเมื่อยจะไม่ใช่ตัวเราแล้วมันเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้า อะไรที่ใจไปรู้เข้าอันนั้นจะไม่ใช่เราอย่างเด็ดขาดเลยเห็นไหมเห็นนาฬิกาเนยใจเราไปรู้รู้โดยอาศัยลูกตาเป็นทางผ่านไปนเห็นภาพนี้ใจเราก็รู้รูปอันนี้ขึ้นมาแต่นาฬิกาไม่ใช่ตัวเราใครรู้สึกว่านาฬิกาเป็นเราอีกไหมไปหาจิตแพทย์นะอาการหนักมากแล้วอะไรที่ถูกรู้เนี่ยมันฟ้องอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เราหรอก เราเห็นพระจันทร์ขึ้นพนะระจันทร์ไม่เป็นเราหรอกใครจะเห็นว่าพระจันทร์เป็นตัวเราก็เพียนะ้ยนละลองดูมือนี้ดูมือตัวเองนะขยับแล้วรู้สึกไหมมือนี้ไม่ใช่เรานะมันเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เขา้าแต่อย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ซื่อบือนะ้อต้องใช้ใจที่เป็นธรรมชาติใจที่เป็นธรรมดารู้สึกไปร่างกายมันเคลื่อนไหวไปใจมันเป็นคนดูสบายๆไป ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นใจเป็นคนดูสบายๆมันจะเห็นว่าความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราใครเห็นความสุขเป็นคนบ้างใครรู้สึกว่าความสุขเป็นคนบ้างถ้าเห็นอย่างนี้เพียรนะเพราะว่าความสุขมันไม่ใช่คนอกมันเป็นความรู้สึกเท่านั้นเองความทุกข์ก็ไม่ใช่คนใครเห็นว่าความโกรธเป็นเราบ้างเรารู้สึกว่าเราโกรธใช่ไมคนทั่วไปเวลาโกรธจะเป็นเราโกรธ แต่พอเราแยกได้เราเห็นว่าความโกรธมันเกิดขึ้นใจเป็นคนดูมันจะไม่รู้สึกว่าเราโกรธอีกต่อไปน่ะจะรู้สึกแค่ว่าความโกรธมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปใจเราเป็นคนดูความโกรธกับใจเป็นคนละอันพอความโกรธกับใจเป็นคนละอันกันเนี่ยเลขคณะมันแตกน่ะความรู้สึกว่าเป็นเรามันจะไม่มีนะมัจะไม่ใช่เราโกรธละแต่ว่ามันจะเห็นว่าความโกรธมันมีอยู่ใจมีอยู่ต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองความโกรธก็ทําหน้าที่ของความโกรธไปใจก็ทําหน้าที่รู้ไป ขนานี้ใครมีความสุขยกมือซิใครมีความสุขใครมีความทุกมีไหมปวดท้องหรือนะีใครเฉยเฉยไม่รู้ว่าสุขหรือทุกนะมีไหมไม่รู้เลยหรือใครเฉยใครรู้ว่าเฉยเนะนี่ยลองดูสิความสุขเป็นตัวเราไหมเราดูคนไหนมีความสุขเราดูไปที่ความรู้สึกสุขเนี่ยความรู้สึกสุขมันเป็นตัวเราหรือเปล่า มันเป็นแค่สิ่งที่จิตไปเห็นเข้าเท่านั้นเองความรู้สึกทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นสิ่งที่จิตไปเห็น pulley pulley เข้าเท่านั้นเองเนี่ยหัดรู้หัดดูนะมันจะค่อยๆ ถ, <icho> ถอนความเห็นผิดว่ามีตัวมี ต, มต <c oughs> <Erik> นเพราะขณะมันแตกมันถ้ามแยกขันออกมาแล้วแต่ละตัวแต่ละตัวมันจะไม่ใช่เราครูสอนอะไรครูสออย่างความโลภ ค, ความโกรธความหลงมันเกิดขึ้นจิตเป็นคนไปเห็นเข้ามันก็จะรู้ว่าโลภโกรธหลงก็ไม่ใช่เราไม่ใช่คนนะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา เป็นแค่สภาวะธรรมอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจิตเป็นคนไปรู้ไปเห็นเขานะความรับรู้ทางตาความรับรู้ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะเกิดแล้วก็ดับไปนะเราสั่งไม่ได้นะอย่างขณะเนี้ยหลวงพ่อพูดทุกคนน่าจะได้ยินเหมือนๆกันแต่บางคนจะไม่ได้ยินในขณะที่เราแอบไปคิดนะหูเราไม่ได้ยินเสียง มันจะได้ยินเสียงหลวพ่อเหมือนแว่วๆมาจากพละโลกนะแต่ว่าไม่รู้เรื่องใจเราหนีไปคิดเรื่องอื่นใจเองก็ทำงานของมันได้เองใจนะจะวิ่งไปดูจะวิ่งไปฟังจะวิ่งไปดมกลิ่นจะวิ่งไปริมรสจะวิ่งไปรู้สัมผัสทางกายหรือวิ่งไปคิดเนี่ยเราสั่งไม่ได้เวลากินข้าวอ่ะกินข้าวสักจานหนึ่งนะสังเกตไหมว่าบางคาเราก็รู้รส บางคําเราไม่รู้รสรู้สึกไหมเวลากลุ้มใจนะกินข้าวหัวใจก็คิดถึงว่าแฟนมันหักอกเรานะกินข้าวหมดจานเลยไม่รู้เลยว่ากินอะไรนะไม่รู้ว่ารสชาติอร่อยไม่อร่อยเพราะอะไรวินญาณหรือจิตไม่เกิดที่ลิ้นตอนนะั้นมันไปหมกมุ่นอยู่กับความคิดจิตไม่เกิดอยู่ในโลกของความคิดหมดจิตมันเกิดได้ครั้งละอย่างเดียวนะครั้งละดวงเดียวฉนั้นจิตที่ไปรู้ จิตที่ไปดูจิตที่ไปฟังจิตที่ไปคิดนะจิตที่ไปรู้รสอะไรเนี่ยเกิดทีละดวงทีละดวงไม่เกิดพร้อมกันหรอกนั้นอย่างบางคนนะไปกินข้าวร้านอาหารสวยหรูหรูหรามากเลยตกแต่งอย่างดีนะมีบริกรมีสาวสวยมาเสิร์ฟอาหารก็อร่อยมีดนตรีไพเราะแล้วก็แพงมากเราคิด ว, ว่าเราจะเสพให้มหาศาลเลยที่จริงขาดทุนยับเยินเลยเพราะเราเสพในครั้งละขณะเดียวนะเราจะทิ้ง การเสพอันอื่นไปทั้งที่เราเสียค่าบริการทั้งหมดแล้วเพราะงั้นถ้าอยากกินของอร่อยนะไปเลือกร้านที่อร่อยนะบริกรที่น่าเกลียดนะ เ, ออเราจะได้ไม่ไปสนใจดูมันนะออตกแต่งก็ไม่มีอะไรให้ดูนะมันสนใจอยู่ที่รสเนี่ยมันจะอร่อยนะเพราะอะไรพระจิตมันจะรู้รสนะถ้าเห็นสาวงามเดินมายัดใส่ปากไปเรื่อยน ะ, นะอย่างเงี้ยมันไม่รู้รสไปซื้อของอร่อยกินก็ขาดทุนแล้วลนะ่ะ หรือจะกินข้าวด้วยฟังเพลงด้วยจ้างนักร้องแพงๆมาร้องให้ฟังค่าจ้างแพงแต่ตอนนั้นเรานั่งคุยกันใครเคยไปกินข้าวตามร้านอาหารที่มีนักร้องไหมแล้วเราก็ไปกันหลายคนขนาดนั้นเสียงเงินจ้างนักร้องมาร้องนะแต่เราไปนั่งคุยกันเองเราไปฟังเสียงกระมังแตกข้างๆเรานี่แหละเพราะอะไรพระจิตรับรู้ได้ครั้งละอย่างเดียว เนี้ยขัดทุนยับเยินเลยนะแล้วจิตเนี่ยนะเป็นธรรมชาติที่ประหลาดเราสั่งไม่ได้ว่าตอนนี้นะรู้รสอย่างเดียวนะเอออย่าไปสนใจเรื่องอื่นนะตอนนี้ดูเห็นรูปอย่างเดียวนะไปดูโมนาะลิซาเนี่ยอุตส่าห์เข้าคิวมาตั้งนานนะเสียงเงินตั้งแพงจะไปดูรูปโมนาลิซาน่เวลาดูโมนาลิซานะก็ะดูแล้วก็ใจก็วอกแวกวอกแวกนะเห็นโมนาลิซาแวบเดียวนะ ขณะนั้นลืมตาดูอยู่เนี่ยใจไปคิดเรื่องอื่นนะคิดถึงไอ้คนที่เขียนรูปไอ้คนนี้มันวาดรูปของใครวนะนึกไม่ออกตามประวัตินะใครเป็นคนวาดรูปโมนาลิซานะนะถึงตอนนี้เขาก็ดันให้เลื่อนไปแล้วไม่เห็นโมนาลิซานะตาเนี่ยเห็นรูปในขณะที่ตาเห็นรูปนะหูไม่ได้ยินเสียงจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รสใจนะก็ไม่รู้อะไรนะไม่คิดนึกอะไร ถ้าใจคิดเนี่ยก็ไม่เห็นรูปไม่ได้ยินเสียงมันจะสลับกันอย่างรวดเร็วเลยนะแล้วเราจะรู้สึกอย่างไรนะเราค่อยๆรู้สึกไปตาจะเห็นหูจะได้ยินจมูกจะได้กลิ่นลิ้นจะได้รสกายจะรู้สัมผัสหรือใจจะคิดเราเลือกไม่ได้นะเราสั่งไม่ได้เราเลือกไม่ได้งั้นเวลาเราไปดูรูปที่สวยๆเนี่ยเราบอกอย่าคิดเรื่องอื่นนะอย่าคิดเรื่องอื่นนะอย่าคิดเรื่องอื่นนะท่องไปเรื่อยๆนะไม่ได้ดูรูปหรอกเพราะมัวแต่ท่องอยู่นะไม่รู้เรื่องเลย ขาดทุนยับเยอนอีกนะสังเกตไปเรื่อยๆใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเราสั่งใจไม่ได้สั่งว่าจงดูอย่างเดียวไม่ได้หรือจงอย่าดูจงอย่าเห็นก็ไม่ได้จงเห็นแต่คนสวยๆอย่าเห็นคนน่าเกลียดก็ไม่ได้จงเห็นแต่ดอกไม้งามอย่าเห็นซากศพเนี่ยสั่งไม่ได้ไม่มีอะไรที่บังคับได้นะตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราบังคับไม่ไดนะ้ใจของเราก็บังคับไม่ได้ ใจเราสั่งให้ดีก็ไม่ได้สั่งให้อย่าชั่วก็ไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้สั่งว่าอยากทุกข์ก็สั่งไม่ได้เนี่ยเราดูของจริงลงไปด้วยเราก็ย่อมพบว่าจิตใจนี่เป็นของที่ไม่ใช่ตัวเรามันหมองได้หลายแง่หลายมุมเลยในแง่ที่ว่ามันจะเกิดความรู้สึกอะไรเราก็สั่งไม่ได้หรือมันจะไปดูรูปมันจะไปฟังเสียงมันจะไปคิดเลยเนี่ยตอนไหนมันจะทําอะไรเนี่ยเราสั่งไม่ได้มันทํางานได้เอง แลนะถ้าเราเห็นความจริงนะว่าจิตใจก็ทํางานได้เองนะถึงวันหนึ่งเราก็รู้ความจริงจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวที่ดูยากที่สุดก็คือตัวที่จิตไม่ใช่เรานี้แหละนะลําพังเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราอันนี้ดูง่ายนะพราะพุทธเจ้าท่านบอกว่าปุถุชนที่ไม่ได้สดับคือคนศาสนาอื่นปุถนะุชนที่ไม่ได้สดับเนะี่ยยังสามารถเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเพราะมันแก่ให้ดูมันเจ็บให้ดูมันตายให้ดูได้ แต่ไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเพราะมันละเอียดมันเประนิดมันเกิดดับต่อเนื่องอย่างรวดเร็วนั้นแหะไม่รู้สึกเลยว่าเราบังคับไม่ได้นะต้องค่อยๆสังเกตค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปนะค่อยแยกขันออกมานะกายกใจคนละอันเห็นร่างกายทํางานใจเป็นคนดูรู้สึกอยู่ว่าร่างกายมันทํางานนะมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่คนใช้สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา ความดีความชั่วเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตัวจิตนี่เองสั่งอะไรไม่ได้สักอย่างไม่อยู่ในอำนาจนะไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราที่เราจะสั่งได้เนี่ยรู้ไปรู้ไปนะถึงจุดใดที่ปัญญาแทงตลอดลงมาว่าจิตไม่ใช่ตัวเรามันจะไม่มีอะไรเป็นตัวเราอีกแล้วในโลกนี้ในสามโลกธาตุเนี้ยถ้าจิตเป็นตัวเรานั้นตัวเดียวเนี่ย มันยังหลงว่าอันอื่นเป็นตัวเราได้ยังพอจิตเป็นตัวเราก็รู้สึกนี่ร่างกายก็เป็นตัวเรานะถัดจากนั้นก็เป็นของเรานี่พ่อเรานี่แม่เรานี่ลูกเรานี่เมียเราอะไรอย่างนี้นี่สามีเรานี่แล้วก็ขยายออกไปนี่บ้านเรานี่รถเรานี่เพื่อนเรานี่ที่ทำงานของเรานี่ประเทศของเรานี่โลกของเราขยายนี้กไปสุดท้ายก็เนี่ยกาแล็กซี่ของเราอเนี้ย มึงมาจากไหนว่า ม, <3> <3> มึงเป็นเจ้าของโลกนะโลกเกิดมาก่อนเองซะอีกนะนี่โลกของเราเนี่ยประเทศของเราเนี่ยก็ของเราหมดเลยคนมันหลงสัอย่างเดียวนะอะไรก็เป็นของเราหมดเลยแต่ถ้าใจฉลาดเสี่ยงเดียวนะเห็นความจริงเราจิตก็ไม่ใช่เราถ้าจิตไม่ใช่เราเนี่ยจิตไม่เป็นศูนย์กลางของโลกของจักรวาลถ้าจิตไม่ใช่ตัวเราสักอย่เดียวนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่เป็นเราอีกต่อไปละแต่หักกันลงตรงนั้นเลย เนีค่อยๆดูไปเพฉนั้นปัญญาเบื้องต้นเนี่ยมันจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราขันไม่ใช่เราจะรู้สีจิตก็ไม่ใช่เราขันถ้าไม่ใช่เราอะไรๆก็ไม่ใช่เราตัวเราไม่มีไม่มีในโลกนี้ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขามีแต่โดยสมมติมีแต่โดยโวหารแล้วภาวนาไปอีกนะแยกรูปนามแล้วก็ดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานเรื่อยๆไปปัญญามันค่อยแก่กล้าขึ้นมันรู้เลยว่า ร่างกายซึ่งมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์ร่างกายมันเป็นตัวทุกข์นะมันไม่ใช่ตัวทุกข์ว่างสุขว่างอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้หรอกร่างกายเนี่ยคือตัวทุกข์ล้วนๆเลยมีแต่ตัวทุกข์มากกับตัวทุกข์น้อยนะไม่ใช่ตัวทุกข์กับตัวสุขอย่างที่เราเห็นกันปุถุชนหรือกระทั่งพระโสดานะยังไม่รู้แจ้งรูมอรรริงหรอกว่าร่างกายเป็นทุกข์พระสกทาคาเขาก็ยังไม่รู้แจ้งตัวนี้ระดับพระนาคาเนี่ยจะรู้แจ้งเลยว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ เขารู้ว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์เท่านั้นเองมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยรู้อย่างนี้จิตจะวางกายไม่ยึดถือในร่างกายร่างกายก็ทํางานไปจิตที่เสั่งงานให้ร่างกายทํางานได้นะบางอย่างก็สั่งไม่ได้บางอย่างก็สั่งได้อย่างหัวใจเงี้ยสั่งไม่ได้มันทํางานของมันเองอย่างเราจะยืนเดินนั่งนอนอย่างเี้เราสั่งได้ถ้ายังไม่เป็นอมพาสก่อนนะถ้าเป็นอมพาสก็สั่งไม่ได้ค่อยๆดูไปค่อยๆดูไปร่างกายมีแต่ตัวทุกข์ ร่างกายเป็นตัวทั้วจิตมันวางมันเป็นสภาวะที่อัศจรรย์ในตัวมันเองพวกเราใครเคยเห็นจิตวางอารมณ์บ้างจิตเข้าไปจับอารมณ์แล้วก็วางอารมณ์อย่างมันโกรธขึ้นมามันโกรธอยู่แล้วมันวางความโกรธลงไปหรือมันเศร้าอยู่นะแล้วก็วางความเศร้าลงไปอันนี้ใครเคยเห็นบ้างมีไหมจิตที่วางอารมณ์อะะรู้สึกอัศจรรย์ไหมว่าจิตมันปล่อยอารมณ์ได้มันวางอารมณ์ได้เวลาที่จิตมันปล่อยกายนะอัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นอีกะ ปล่อยร่างกายได้ไม่ใช่ปล่อยได้แต่อารมณ์นะอารมณ์เหมือนสิ่งที่ฝันฝันเอานะเหมือนสิ่งที่มันไม่มีจริงเหมือนเพ้อฝันเอาร่างกายมันเหมือนของมีจริงด้วยซ้ำไปนะถ้ามันปล่อยได้เป็นเรื่องตลาดเวลาที่มันปล่อยแล้วนะใจนี่มันจะเบืกอปานมันจะไม่หลงอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอีกแล้วเพราะว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไเนี่ยนะเราไปรู้ได้ไปเห็นได้ไปเสพได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกาย แต่มันรู้ความจริงเราตาเป็นของไม่ดีหูจมูกลิ้นกาเป็นของไม่ดีนะเป็นตัวทุกข์เป็นของไม่ดีนะ เ, ป เ, ปดเป็นของเล่าร้อนก็นะมันรู้อย่างนี้นะมันไม่ยึดตามันก็ไม่ยึดรูปมันไม่ยึดหูนะมันก็ไม่ยึดเสียงเนี่ยมันจะค่อยๆมันจะวางลงไปเลยไม่ไปยึดพอมันไม่ไปยึดในรูปในกลิ่นในเสียงในรสในสัมผัสทางกาย พามีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสทางกายเกิดขึ้น่ะจิตก็ไม่หลงยินดีจิตก็ไม่หลงยินร้ายไม่มีการมาราคาคือความเพลิดเพลินพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ไม่มีปฏิคา้าความรําคาญเกลียดชังในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์และใจมันเข้าสู่ความเป็นกลางนะต่อรูปเสียงกลิ่นรสผลิัณฑ์ได้ผลิตภัณฑ์คือสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายเราะเนี่ยเป็นภูมิจิตภูมิธรรมของพระอนาคามีนะ จิตของพระนาคามีนะจะมีความสุขมากสุขเจงกระทั่งบางท่านเนี่ยถ้าไม่ได้ศึกษาไม่มีครูบาอาจารย์บอกจะคิดว่าจบแล้วด้วยซ้ํำไปเพราะฉะนั้นพระนาคามีจํำนวนมากเลยที่ท่านไม่ทําต่อลนะท่านคิดว่ามันจบทางตรงนี้แล้วแต่พอตายปุ๊ไปเกิดในพรหมโลกท่านว่าเกิดอีกแล้วนะในพรหมโลกเองก็มีพระดิยะอยูนะ่เกิดขึ้นมาท่านก็รู้แล้วว่าท่านยังไม่จบนะท่านก็สอนกันต่อได้ ไปเรียนรู้ความจริงต่อแต่พวกเราต้องระวังนะต้องขยันภาวนานะไม่งั้นไม่ได้กินเนอกยากอยู่ขวากจิตจะปล่อยอารมณ์บางคนก็ฝึกตั้งนานมันปล่อยของมันเองรู้สึกไหมมันจับอารมณ์มันก็จับของมันเองมันปล่อยอารมณ์มันก็ปล่อยของมันได้เองตรงนี้เห็นไหมต่อไปนั้นมันจะหวังร่างกาย วางทีแรกถ้ายังไม่เต็มฟูมผ้านาคานะวางแล้วก็ยึดจิตขึ้นมาวางแล้วก็ยึดขึ้นมาอีกถ้าเป็นผ้านาคามีมันจะวางทิ้งไปเลยโยนทิ้งไปเลยจิตจะเข้ามาที่จิตนะจิตจะไม่หลงอยู่ในกามแนละ้ไม่หลงอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลทาพะนะแต่จิตมันจะมาอิ่มเอิบเบิกบานพอใจยินดีพอใจในความสุขความสงบของจิต งั้นทานาคามียเนี่ยท่านยังมีรูปปรคาคะมีรูปปรารถนาติดในรูปฌปานติดในอารมูปฌปานอยูนะ่ท่านติดนะนรู้สึกว่าท่านนั่นวิเศษดีกว่าคนอื่นตั้งเยอะไนงะแต่เวลาท่านไปเจอพระอรหันต์เจออะไรเงี้ยท่านจะรู้สึกว่าทําไมเรายังแย่นะว่ากิเลสเราเยอะเหลือเกนินะคาว่าเราเนี่ยเป็นแค่บูหารนะเป็นแค่บูหารเพราะว่าความรู้สึกเป็นเราเนี่ยไม่มีตั้งแต่เป็นพระสสดาบันแล้ แต่มันจะมีการรู้สึกเปรียบเทียบโอ้ท่านดีจังเลยท่านก็เป็นบูหารหนหรอกไม่ได้คิดว่าพระอรหันต์เป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาอะไรหรอกเป็นสำนวนบูหารในการเรียกขานเพื่อจะสื่อสารเท่านั้นเองว่านะท่านอย่างดีเลยเราแย่จังเลยนะเขามาเจอพวกไม่ดีพวกเลวพวกมิจฉาทิฏฐินะใจก็รู้สึกโอ้เธอทำไมแย่จังเลยไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามนะถ้าใจไปดูถูกเหยียดหยามเขาเนี่ยจิตมีโทสะพรนะอนาคามีไม่มีโทสะ นะมีแต่ความสลดสังเวชนะว่ามันน่าสงสารนะเมื่อไหร่มันจะฉลาดกว่านี้นะเนะี่ยมันจะมีเทียบเขาเทียบเราอยู่นะทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่เห็นว่ามีเขามีเรานะแต่ความรู้สึกเทียบเนี่ยมันมีอยู่เนี่ยใจมันก็ยังมีภาระอยู่เพราะยังยึดยังติดบางสิ่งบางอย่างอยูนะ่ต่อไปก็ต้องพาวนาอีกอาศัยว่าได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านเคยบอกนะท่านเคยบอกว่าตัวจีเรงก็เป็นอนัตตานะนะ หรือว่าอย่าหลวงปู่ดุลเคยบอกหลวงพ่อไว้ว่าพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจึงถึ ง, ถงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนะเนี่ยท่านสอนางนี้ก่อนหน้านั้นน่ยท่านปรารภหมอนักปฏิบัติเนี่ยระดับมีชื่อเสียงระดับครูบาอาจารย์ใหญ่ๆนะส่วนมากเลยเนี่ยเราพิจารณาแล้วเป็นผีใหญ่ผีใหญ่คือเป็นลมนั่นเองนะเขาอะไรยังสงวนรักษาตัวจิตผู้รู้เอาไวนะ้รักษาจิตเอาไว้พอใจให้จิตสงบ อยู่ในรูปิชานพอใจให้จิตสงบอยู่ในอรูปิชานาะมีรู ป, ป ร, ราคารู ป, ป ร, ราคาอยู่ก็นะจะไม่ปล่อยวางจิตถ้าไม่ปล่อยวางจิตยังยึดจิตอยู่ดวงเดียวเนี่ยยังเกิดได้อีกนะยังไปเกิดได้อีกแต่ว่าไม่เกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์นะไม่เกิดเป็นเทวดาเนี่ยไปเกิดในโรมโลกเท่านั้นเพราะว่าไม่มีกามนะไม่ได้หาความสุขทางตาูจมูกลิ้นกายเหมือนพวกเทวดาหรือพวกมนุษย์ เนะทวดาก็ยังเป็นกามนะอยังในกาบอมภูมิอยู่ยังชอบร้องลําทำเพลงชอบของสวยของงามอะไรอย่างเนีนะ้ยังชอบอยู่แต่พวกปลอมเนี่ยไม่สนใจแล้นะอย่างพวกเราบางคนนะที่ไม่ได้เรียนไปบนพระลมใครเคยไปไหว้พระปลอมเราวันบ้างมีไหมเอราวันไปบนอะไรไปบนแเอาไข่หรือเปล่าไปบนอะไรพระปลอมนี่ก็บนด้วยอะไรหัวหมู จำฟังไม่ออกแต่มีบางคนไปบนจะราละครให้ท่านดูนะท่านไม่ได้อยากดูละครนะพระพรหมเนี่ยนะไม่ได้ติดใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสแล้วนะเราเอาของซึ่งท่านไม่สนใจไปบนท่านนะถ้าอยากให้พระพรหมชอบเนี่ยว่าจะบนนั่งสมาธิถวายเนะนี่ยจะจะนั่งสมาธิกับท่านานะนะอย่างนี้พระพรหมชอบนะ แต่ว่านั่งที่บ้านก็ได้ไม่ต้องนั่งตรงนั้นนะเดี๋ยวเจอระเบิดเนี่ยจปะปฏิบัติถวายจนะเข้าสมาธิถวายพระพุทท่านชอบเข้าฌานนะเห็นคนเข้าฌานก็พอใจนะพวกเดียวกันนะถ้าเห็นไอ้ไอนี่มาลํำละครเยิบเยบเย บ, บให้ดูนะท่านก็สลดสังเวชโถมันจะหลงอะไรขนักหนาวนะเนี่ยใจท่านมันเลยชั้นไปแล้วนะ งั้บางคนเป็นบนพิลึกนะแก้ผ้าลาละครเนี่อย่างเงี้ยก็มีนะแก้ผ้าลาถวายพระพรหมในี่ยพระพรหมอุจาร์ท่านไม่ดูหรอกเนะนี่ยถ้าใจเป็นรฟมนะใจไม่ติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสมันมีความสุขมัมีความสงบมัมีความอิ่มเอิบอยู่กับสมาธนะิใจสบายบางโอง้ก็อยู่กับความเมตตาท่านเจริญเมตตาแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณนะ บางองค์ก็อยู่กับมูทิตานะใครเขาดีก็ดีใจกับเขาด้วยนะบางองค์ท่านก็เป็นอนะุเบกขาบางองค์ท่านก็มีกรุณานะสัตว์โลกเป็นทุกข์เป็นร้อนนะแผลส่วนบุญแผลเมตตาให้มันอะย่างนะีนะ้แล้วมีความสุขนะอยู่กับชานสมบัติอยู่กับคุณงามความดีในใจยุคนำมาทำเนะีนะ่ยถ้าอยู่อย่างนี้อย่างเกิดอีก เคือเกิดเป็นพรมแต่ถ้าเม่ไรปัญญาแก่รอบนะร่ว่จิตนี้คือตัวทุกข์นะจะวางจิตพอ ว, วางจิตได้กนะ็จะพ้นเลยไม่เกิดอีกแล้วนะ่ะค่อยๆฝึกนะพวกเราธรรมมาของพู้เจ้าน่นะเหมือนเพชรเหมือนพลอยเป็นของมีค่าอย่าลงแต่ก้อนกรวดเลยกนะ็ต้องดูให้เป็นเยว่าอันนี้เพชรหรือว่าอันนี้ก้อนกรวดบางคนไม่หยิบมาก็นึกว่าเพชรนะนี่แท้เป็นก้อนกรวด ค่อยๆศึกษาไปเดี so so ๋ยวก็เข้าใจนะวันนี้เท่านี้พอสมควรการได้มาสัมการกัค่ะหลวงพ่อครั้งที่แล้วค่ะส่งกันบ้านหลวงพ่อให้ไปดูเบื่อค่ะดูอะไรนะเบื่อค่ะแก่แล้วปู่แม่คุณไดย่ดูเผือกดูทำไมว่าเผือกดูเบื่ออ่ะค่ะแล้วก็ระหว่างวันก็ตามรู้รู้ใจอ่ะค่ะ แล้วก็ทํางานบ้านก็มีสติรู้แล้วรู้สึกเบื่อน้อยลงไหมน้อยลงค่ะงั้นตอนความเบื่อครอบงานะค่ะก็เป็นโทสะค่ะใจไม่แช่มชื่นพอเรารู้ทันก็หลุดออกไปค่ะแล้วก็ภาวนาต่อไปเจอกิเลสอะไรก็รู้ต่อไปอีกค่ะนะแต่ตอนนี้เหมือนกับติดเพ่งอะค่ะหลวงพ่อเหมือนเวลาหอมแก้มลูกก็ไม่รู้สึกอะค่ะเพ่งใน่เพงอยู่ที่เราไปประคองจิตไว้หรือเปล่านะ เวลาเราอยากดีเราไปประคองจิตเนี่ยเพ่งใจมันก็ทื่อๆ <c oughs> ไม่มีความสุขจริงหรอกไร้สิไม่ดีก็ได้ต้องไว้ <c oughs> ไม่ให้ผิดศี่ห้าเท่านั้นแหละ <c oughs> แต่จิตนี่ไม่ดีก็ได้ถ้าอยากให้จิตดีตลอดเนี่ยเพ่งทุกรายขอกันบ้านค่ะบลวงพได้แล้วนะ <c oughs> กาบนมัสการหลวงพ่อค่ะก็รายงานการปฏิบัติในรอบหลายเดือน เห็นมานะเกิดบ่อยแล้วก็มีสภาวะหนึ่งเกิดขึ้นบ่อยๆก็คือตาดูเห็นรูปสักพักหนึ่งก็จิตก็จะเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่อื่นตาเหมือนจะเห็นแต่ว่าก็ไม่เห็นใช่นะแบบนั้นแหละลมันไม่เห็นนัออถูกแล้วก็ยังอยู่ในในร่องในรอยอันนั<ช>้นเราเห็นนะจิตเกิดดับนะทางทวารจิตเกิดที่ตาพอจิตนี้ไปคิดเนื่อง ตาจิตที่ตาก็ดับไม่รู้ละไม่รู้รูรรไปอะไรถูกแล้วลบ้างเราเห็นแม้จิตย้ายที่ได้เองเห็นบ่อยๆค่ะเดี๋ยนั่นแหละดีแล้วต่อไปจะพบความจริงอีกข้อหนึ่งที่ลึกซึ้งขึ้นไปจิตไม่เคยย้ายที่เลยจิตที่เกิดที่ตาแล้วก็ดับไปนะมันไปเกิดจิตอีกดวงนึ่งที่ไปคิดจิตมันเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาเพียงแต่ว่ามันเกิดดับเร็วเราเลยรู้สึกว่าเป็นตัวเดิมวิ่งกลับมาทั้งยังให้ค่อยดูไป ในวันนึงก็รู้ว่าจิตเกิดดับจิตไม่ได้มีดวงเดียวหรอกอันนี้คิดไปเองหรือว่าเห็นจริงๆเห็นจริงๆสิแต่ว่าต้องดูไปอีกนะค่ะจนมันเข้าใจความจริงไม่ใช่จิตนี่วิ่งไปวิ่งมาอมตอนนี้เราจะรู้สึกเหมือนจิตเป็นแมงมุมคือเห็นไหมมันก็วิ่งไปทางนี้ใช่ไหมแล้วก็กลับมายังก็วิ่งทางนี้แล้วก็มาจะรู้สึกอย่างนี้แรกๆเป็นี่ยนั่นแหละะต่อไปจะรู้เลยจิตเกิดที่ตาก็ดับเกิดจิตที่นี้แทนจิตตรงนี้เกิดแล้วก็ดับไปเกิดจิตที่หูแทนอย่างเงี้ย นะเออแต่ก่อนหน้านั้นหลวงพ่อให้ดูกายอะค่ะแต่มันก็ไปดูที่จิตเองนั่นดูกายแล้วจะเห็นจิตนะที่สอนอยู่บ่อยๆอะดูกายเพื่อให้เห็นจิตดูจิตเพื่อให้เห็นธรรมเห็นไหมว่ามันเป็นไปเองเห็นว่าเป็นไปเองเห็นไหมมันเกิดดับดูแล้วก็ลุจิตที่เกิดที่ตาแล้วก็ดับอย่างเงีนะ้ยค่อยๆหันดูไปเห็นนั่นแหละเราจเจริญปัญญาอยู่ การบ้านก็ทำแบบเดิมต่อใช่ไหมครับแต่จะประคองจิตเหมือนตอนนี้นะตอนนี้ตื่นเต้นเลยประคองตื่นเต้นตั้งแต่คิดว่าจะส่งการบ้านสองวันก่อนแล้วค่ะเออฮะตื่นมาหลายวันแล้วเหรอไม่ไม่ค่อยหลุดละหลวงพ่อมาก่อนนะเป็นโยมอะอัดภาวนาพอถึงเวลาไปหาครูบาอาจารย์นะไม่ตื่นเต้นมีองค์เดียวที่ตื่นเต้นคือหลวงตามหาบัวเพราะว่าท่านขึ้นชื่อเรือชาววุ ทํานไม่มาใจดีเหมือนรุ่นหลังๆนี่นะสมัยน่นดุขึ้นชื่อเลยเพราะฉั้นเวลาจะไปหาท่านนะ่ะตื่นเต้นแต่พอลงจากรถทัวร์ที่อุดรนนะต่อรถเข้าวัานตาเนี่ยไม่ตื่นเต้นแล้วนะยิ่งไปถึงประตูวัดนะไม่ตื่นเต้นแล้วนะห้าวหาญเลยด่าก็ด่าสิอย่างมากก็ด่าเราถ้ามาฆ่าเราตายได้ไงใช่ไหมด่าเราแล้วเราดีขึ้นห่ะที่อย่างนี้นะไาานะะไม่กลัวครูบาจาจารย์แต่เขารบแต่ไม่กลัว นะอ่ะกลับน้ำมัสกายนะคะประคองเปล่าน่าจ่าค่ะเหลอะยังจะน่าจ่า <c oughs> อีกนาตีเลยสิ <c oughs> ประคองมาหลายวันแล้วค่ะหลายปีแล้วมั <c oughs> <c oughs> ประคองจนชินนะแต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้น <c oughs> แต่ก่อนนะประคองนิ่งคงที่อยู่เลยเดี๋ยวนี้ยังปล่อยได้เป็นคราวๆเอาส่งกันบ้านไปอ๋อไปฟังเทศหลวงพ่อค่ะแล้วก็ มันก็มันร้องไห้ออกมาเองเนี่ยอืหนูก็บอกจิตว่าเธอจะร้องทําไมเนี่ยแล้วไม่ต้องห้ามหรอกจิตม่มีปิติอืแล้วก็รู้ว่ามันมีปิติแต่เราไม่ให้มันครอบงําใจเรารู้เข้าไปตรงๆเลยที่ความรู้สึกอ่ะพอเสร็จแล้วมันก็เกิดฉันท่าพอฟังเทศหลวงพ่อก็กลับไปก็เล่งปฏิบัติเข้าห้องแปดโมงเช้าออกมาสี่โมงยินไม่ทํามาหากินหรอ วันอาทิตย์ค่ะอวันอาทิตย์หนูก็ปีวิเวกเลยอะค่ะคุอพอเสร็จแล้วออกมาก็คือมันแข็งเป็นป๊อปอายเลยค่ะคื อ, อแบบแด้านบนเนีคะหนูก็เดินแล้วก้มคอไม่ได้เลยอหนูก็คิดในใจว่าอยากให้ใครเอาเอาไม้หรืออะไรไปแทงให้ลมมันออกเนี่ยค่ะไอ่อทําไมมันเกิดอะไรขึ้นหนูก็ว่ามันว่าเนี่ยถ้าเกิดยังเป็นอย่างนี้อีกอาจจะเลิกภาวนาแล้วนะว่าหนูก็บอกมันแล้วก็ให้โอกาสมันบอกว่าถ้าคืนเนี้จะลองอีก แล้วก็ให้คิดถึงคำหลวงพ่อว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะให้ดูไปตรงๆค่ hmm. ะเสร็จแล้วพอตอนนั้นก็บอกมันว่าอ่ะจะให้โอกาสก็ให้ให้ภาวนาใหม่เพราะว่าก่อนหน้านี้อยู่ไม่เคยเป็นแบบป๊อปอายเลยค่ะ hmm. ที่ว่าเป็นแน่นอย่างเงี้ยค่ะาะหลวลงพ่อบอกว่าให้ให้ใช้อ่าอ่านีะคะที่ว่าให้ให้ทำสมาธะค่ะมันก็ท่องไปประมาณร้อยห้าสิบ ก็ไม่ไหวก็เลยเออทำอะไรไม่ได้นอนก่อนอืมถูกแล้วค่ะพอตื่นมาใหม่ก็ตั้งหลักใหม่<ะ>ตั้งหลักใหม่บังคับคมันมากไปเครียดๆค่ะก็เลยบอกเขาว่าอ่ะพ่าใหม่คนนี้ก็เริ่มเริ่มพอนาใหม่พอพอถึงจุดที่มันจะต้องแบบบีบบังคับอะค่ะบอกคนว่าก่อนหน้าที่บีบบังคับก็ทําใจให้สบายที่หลงพ่อบอกว่าให้ยิ้มมาหนูให้ยิ้มไปประมาณสิบครั้งได้ ม, มันก็พอยิ้มได้ที่แล้วก็ มันก็เห็นความจงใจหนูก็บอกเห็นไหมเนี่ยจงใจพูดไปสองครั้งแล้วพอพูดอีกทีว่าเห็นความโลภไหมพอเห็นปุ๊บมันก็หลุดมันก็ถอยอ่ะค่ะทีนี้มันถอยจิตมันก็ถอยออกมาดูเป็นผู้รู้อะ่ะผู้ดูว่าเห็นอีกข้างหนึ่งเห็นกายกําลังหายใจแล้วก็เห็นในความไหวหวที่เร า, เ<อ>าไป <พอ S 2> ดูยังไงคะไปดูต่อถ้าใจเราฟุงางฟ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านนะ รู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆอย่างขณะนี้ไปรวบจิตเข้ามาละเราจะไปรวบมาที่เรารวบเพราะเราอยากดีรักดีหามจัว่วจั่วหนักมาเลยตัวแข็งเลยนะลอะยมันเ <ๆๆ S 2> นี่ยอยากพูดละ <ๆ S 2> เห็นไหมะอะต่อไปนวัตสการ์เจอหลวงพ่ออ่าเพิ่งเจอหลวงพ่อเป็นครั้งแรกและมาจากชุมพรค่ะฟังซีดีจากลูกชายแป๊บหนึ่งนะ ยกที่เพิ่อสองส่งนบ้านเสร็จอะอย่างนี้ไม่เอานั่งอย่างเนี้ยจิตจะซึมนะอย่าให้เจ้าะล้อมจอิตใช่ไหจะแน่นๆซึมๆมมทื่อๆมืดๆไปเลืมตามว้หายใจไว้เคลื่นไหวนะไปทํากรรมฐานที่กระดุกกระดิกไว้ดีกว่าที่ไปนั่งซึมลงไปนะเคลื่นไหวอย่างเมื่อกี้ดีตอนนี้ไม่ดีละแวบเดียวนั่งเองตัวที่เราไม่ได้จงใจแล้วนเนี่ยเมื่อกี้เนี้แเนีนเน้ยอย่างเนี้ย คห้ยรู้สึกไปสบายๆไม่ต้องรักษานะแต่ว่าอย่าไปน้อมใจทำสมาธิรู้สมนิ่งๆลงไปไม่ดีเหนื่อยอ้าว่ามาวังซีดีจากลูกชายของหลวงพ่อเอาไว้ให้ฟังค่ะวังไปตลอดตลอดทั้งคืนทั้งวันเรเห็นหรือเปล่าว่าใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกดูออกไหมดูยังดูไม่ออกกันหลวงพ่อเลยก็จะขอมามาครั้งแรกเวลาเวลามีความสุขรู้ไหม ก่<ร> <script> อนนั่นแหละรู้อย่างนั้นอะ่ะตอนนี้มีความสุขก็รู้ตอนนี้เฉยๆก็รู้นะอ่ารู้ไปเรื่อยเดี๋ตอนนี้อยากพูดรู้สึกไหมอยากพูดค่ะ น, <cod. S 2> น, นั่นะนี่แหละเรียกว่าการดูจิตอยากจะมาเจอหลวงพ่อแล้วขอว่าขอาการบ้านให้กันบ้านละอ่านดูจิตไปนะจิตอยากพูดรู้ว่าอยากพูดนะ<ช> s. <S จิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขจิตเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะรู้ไปเรื่อยๆแต่มันดูไม่เห็นเลยดูเป็มไม่ใช่เห็นนะ แค่รู้สึกค่ะไม่ใช่ไปมองเห็นความสุขไม่มีตัวตนไปดูได้ยังไงแค่รู้สึกว่ามันมีความสุขก็ใช้ได้แล้วรู้สึกว่ามันอยากพูดแค่รู้สึกเท่าไม่ได้ไปดูอะไรหรอกค่ะบางครั้งคิดว่ามันแก่เกินนะครับไม่เกี่ยวหรอกยังไม่แก่อยังเด็กอยู่ขอบคุณมากค่ะสำหรับน้ำมสการหลวงพ่อครับก็ไม่ได้ส่งเงินบ้านมาส่งบีกว่าครับก็ที่ผ่านมาก็พยายามปฏิบัติในรูปแบบทุกวัน แต่ช่วงที่ผ่านมาบางทีมันเฉยชาไปบ้างครับก็แต่ช่วงที่ตักเดือนสองเดือนผ่านมาเนี้ก็ได้ดูบ่อยขึ้นเพราะว่าเออป่วยเล็กๆน้อยๆบ่อยนะครับครับก็อยากจะขอคําแนะนําจากหลวงพ่อต้องทาสม่ำเสมอนะมันจะฟุ้งซ่านใจมันวักแวกๆักแว ม, มันจะไม่มีแรงนะทำทุกวันบแบ่งเวลาไว้แล้วทําไปครับสงบผู้ช่างไม่สงบผู้ช่างแต่ปฏิบัติครับ ให้มันมีแรงครับครับกลับมากครับตอนนี้ไม่มีแรงครับครับกับท่าวสการหลวงพ่อครับส่งการบ้านครั้งแรกครับทุกวันนี้สวดมนต์แล้วอยากรู้ว่าไอ้ตัวเองนี้พื้นฐานนี่จะดูดูกายหรือดูจิตดี <laughs> เราเป็นคนช่างคิดนะใช่ใชครับใ ห, ให้รู้ความรู้สึกอย่าไปอย่าไปสนใจคาว่าดูจิต ให้รู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆรู้สึกมีความสุข ก, ก็รู้มีความทุกข์ก็รู้โลภโกรธหลงอะไรก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้นะรู้สึกว่ากูเก่งก็รู้ได้รู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆรู้สึกจะติดไอ้คำว่ากูเก่งนี่นะครับนั่นแหละนั่นแหละตัวเนี้ยตัวร้อยเลยคือพอถึงเวลาถ้าถ้าได้พูดธรรมะเราจะยาวเออนั่นแหละมันฟ<ต>ุ้งซ่านเราต้องหาหาวิหาให้รู้ทันให้รู้ทันอย่างเดียวใช่ไหม เราใช้จิตเป็นวิหารธรรมนะฉะนั้นจิตฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านจิตรู้สึกว่ากูเก่งก็รู้ทันรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆนะถ้าถ้าถ้าไปบริกรรมหรือไปนั่งสมาธิมันเหมือนจะไม่เอาเลยไปทําอะไรไม่เอาหรอกมันฟุง้งมันฟุ้งใช่ไหมครัมันอยากสอนนะใช่พบโดยพื้นฐานเยก็สอนหนังสือเด็กมันก็เลยติดโม้มากอ พอถึงจะมาปฏิบัติอย่างนี้มันทาไม่ได้งั้นรู้รู้ความรู้สึกของตัวเองไปได้ไดะครับตอนนี้ไม่ใช่เวลาสอนคุดเด่นเราอยัางฟุ้งในธรรมะอยู่รู้สึกจะฟุ้งมากงั้นรู้ทันความรู้สึกไปครับต่อไปกรรบน้ำสการกรรบน้ำสการหลวงพ่อครับผมยังไม่เคยส่งกันบ้านแล้วก็ ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณปีกว่าครับแล้วก็ทำตามโดยการมันไปรู้ที่กายเวลายืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆอครับหลวงพ่อแล้วมันก็เกิดสภาวะขึ้นมาครั้งแรกนะครับคือคือตอนตื่นนอนอะ่ะพอตื่นนอนแล้วลุกจากที่นอนแล้วพอเท้ามันก็ทบพื้นนะครับหลวงพ่ออยู่ๆมันเกิดความรู้สึกว่ามันเกิดความรู้สึกที่เท้าว่าอาเรา เรารู้สึกตัวขึ้นมาอะไรนะครับแล้วก็ล้วก็เลยทําต่อไปเรื่อยๆจนแล้วก็มีอีกสภาวะหนึ่งที่เกิดคืออันนี้ไม่ได้ตั้งใจนะครับคือเดินลงจากบ้านตอนเช้าจะไปทํางานแล้วมันมันได้กลิ่นอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะใจมันกําลังจะคิดว่ากลิ่นอะไรอะ่ะแล้วมันก็มันก็มีคําว่าเอ๊ะขึ้นใหม่อีกตัวหนึ่งตามหลังมาว่าเฮ้ยกำลังจะคิดสงสัยว่ามันคือกลิ่นอะไรอย่างนั้นเลยดีแล้วมันก็มันก็ไม่คิดต่อมันก็เดินไปเรื่อยๆ แล้วก็สติมันเกิดนะมันมันจะที่เผอมันรู้ทันมันมันรู้ทันว่าจินคิดมันครับแต่ไม่ได้ตั้งใจมันถ้าตั้งใจไม่เป็นโอ้ครับต้องไม่ตั้งใจนะครับก็คือแบบถ้าตั้งใจอีกก็ไม่เกิดไม่เกิดครับ่ามันชอบเผลอๆแล้วมันจะมีแบบนั้นอืแล้วก็อย่างเวลาขับรถอะแล้วเวลาเรามันเกิดความโกรธหรือโมโหอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยครับก็ ก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยลองทําแบบที่หลวงพ่อบอกว่าคือทํานิ่งๆแล้วก็ลองดูดูความโกรธที่มันกําลังอยู่อ่ะแล้วก็มันมันเหมือนเป็นก้อนอะไรกลมๆแล้วมันก็ค่อยๆหายไปเต่นั้นค่อยๆสลายไปแล้วมันแต่ตะฟักถ้ามีอะไรมากระทบมันก็มาใหม่ไอ้ ก, ก้อนนะั้นไม่ใช่ความโกรธนะมีความโกรธไหยตัวความโกรธเป็นกิเลสครับนะเสร็จแล้วมาใจแล้วว่าเกิดความดินน้นรนแล้วว่าเกิดก้อนทุกข์ขึ้นมา ครับมันแน่นๆเออมันเป็นตัวทุกเป็นตัววิบากและครับแล้ววิบากเนี่ยถึงเราเลิกโกรธแล้วนะไอ้ตัวนี้ก็ยังอยู่อีกช่วงหนึ่งครับหลวงพ่อถ้ารับผลผลของกรรมครับนะดูอย่างนั้นก็ถูกแล้วละเนี่ยเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปครับหลวงพ่อและไอ้ก้อนนี้เราบังคับไม่ได้ไม่ได้อะครับไม่ได้หรอกไม่ไดแต่ว่าถ้าทําจิตนิ่งๆแล้วแยกเราไปดูมันมันก็หายไปเองต่อหน้าตาต่างเลย ไม่ไม่ไปแยกมันมันก็หายครับนไม่มีอะไรเกิดแล้วไม่ดับหรอกครัอย่าไปจงใจแยกจิตออกมาอ๋ออย่าไปครับนะถ้าจงใจแยกจิตออกมามันจะทําตัวรู้ปลอมขึ้นมาให้มันเป็นเองครั บ, รบถ้าใจเราหลงไปแล้วรู้ใจหลงไปแล้วรู้เนี่ยจะได้ตัวรู้จริงๆขึ้นครับครับไปทาอีกไปขอกันบ้านคือทำเหมือนเดิมนเลยทําสูกแล้วล่ะไปดูต่อครับผมอย่าไปประคองรักษาตัวผู้รู้ไว้เท่านั้นแหละ อีกเรื่องหนึ่งลวงพ่อตอนทําในรูปแบบทําสมถะกลางคืนนะครับคือทําน้อยแต่ว่าคือบริกรรมก็ไม่ได้ลมหายใจก็ไม่ได้แต่ว่าถ้านั่งเฉยๆแล้วรู้สึกที่ตัวอย่างเดียวอะ่ะมันจะอยู่สบายพอนนแล้วอันนี้ก็เป็นสมถะได้เป็นสมถะเราทำไม่ดูสินั่นแหละสมถะสมถะมทะัอ้อ๋อแบบแบบ น, นี้ก็ได้แต่นี่เป็นสมถะนะครับกรรมธรรสการครับ กราบนมัสการหลวงพ่อครับเ อ, อผมก็ฟังเทปซีดีของหลวงพ่อมานานแล้วครับแต่ว่าเพิ่งจะ เ, เข้ามาส่งการบ้านครั้งแรกโดยปกติแล้วผมก็จะปฏิบัติโดยการนั่งสมาธิอะครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองจะค่อนข้างที่จะติดสมถะครับก็เลยอยากจะขอมไม่ตัดไมากนะติดไม่แรงไม่ไม่มีปัญหามากหรอกติดนิดหน่อยสังเกต ด, ดูนะใครกระใจมันแยกกัน แล้วก็ถ้าใจมันนิ่งเราก็พิจารณากายลงไปเลยร่างกายผมคนเล็บขนนังแต่ละส่วนนี่ไม่ใช่ตัวเราอะไรเงี้ยล้วเดี๋ยวนึงมันก็จะมาเห็นจิตทำงานได้ครับก็จ ะ, อะมองว่ากายมันเป็นตัวทุกข์อยู่บ่อยๆ อ, อ, อ่ะค่ะนั่นแหละดูอย่างนั้นอย่างนี้จิตไม่ติดสมาธิใช้ได้นะไม่ใช่ว่าไม่ดีหรอกตันเนี้ยขนาดตื่นเต้นนะขนาดประคองนะใจยังสว่างอเลย ขอบุญครับไปดูนะขันแต่ละขันไม่ใช่ตัวเรางานรำศการหลวงพ่อครับก็มาศกกันด้านครั้งแรกครับเภาวนามาประมาณสักสามสี่ปีครับแล้วก็ใช้ภาวนาไปในชีวิตประจาวันมาเรื่อยๆอ่ครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเป็นป๊อบอายครับทำไมล่ะตัวตัวแข็งเต่งนะครับเราอยากตีอยากตีไ ม, ม่เพ่งนะ เองมันก็แข็งๆน่ะธรรมดาครับแล้วจะทำไงดีล่ะนั่สิครับทำไม่ได้หรอกตัวแข็งเนี่ยเป็นผลแล้วครับตัวเหตุของม่ก็คืออยากดีครับถ้าเมื่อไรเรารู้ว่าอยากดีนะมันไม่ได้อยากดีแล้วมันรู้สภาวะไปรู้กิเลสรู้อะไรที่มันปรากฏเฉพาะหน้าเป็นคราวๆไปดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ถ้าคิดอย่างนี้นะ อที่แข็งแข็งก็ค่อยๆหายครับนะให้คอยรู้ทันกิเลสของตัวเองแค่นี้พอแล้วโดยไม่เข้าไปแทรกแซงมันถ้าอยากจะรู้มันก็จะแข็งพอรู้แล้วเข้าไปแทรกแซงมันก็จะแข็งนะครับงให้รู้ทันกิเลสก็อย่างสบายๆายแข็งจริงจริงครับหลวงพ่อแนะนำให้ให้เรียนกับอาจารย์ท่านไหนไหมครับฮะ ห, <า>หลวงพ่อแนะนำให้เรียนกับอาจารย์ท่านไหนหครับไม่ต้องเราเรียนของเราเอง ที่ผ่านมาก็เรียนเองมันเป็นแบบนี้ครับสังเกตไหมว่าความแข็งเนี่ยเมื่อกี้มันกระชอกมันไม่คงที่บางทีมันก็คลายออกบางทีมันก็แข็งต่อเปนี้เรารู้ทันเลยมันแข็งขึ้นมาก็รู้มันคลายออกไปก็รู้แค่รู้สบายๆนะรู้บ้างเผลอบ้างไม่ต้องรู้ตลอดเวลา ถ้าคิดว่าจะต้องรู้ตลอดเวลานะยิ่งแข็งอ่งเดยตอนนี้ใจหนีไปคิดทราบไหม <Yes. S 1> เห็นไหมว่าใจมันยังทำงานได้ทั้ ง, ท, ง, ท, งที่ว่าแข็งอยู่เพ่งอยูนะ่คอยรู้ทันใจของตัวเองเรื่อยๆใจหนีไปหนีไปอีกลวรู้สึกไหม <Yes. S 1> ไหลไปไหลไปเรารู้ไหลแล้รู้รู้สบายๆนะไม่สนใจร่างกายก็ได้คอยรู้ทันใจที่ไหลไปไหลมานะ <Yes. S 1> เดี๋ยวก็หาย yes. ที่เป็นเพ่งห้ามไม่ได้หรอกจิตมันจะเพง่งสังเกตไ ห, ห้ใจไปคิดดูออกไหมเวลาจิตคิดตอนนี้ไม่ออกครับอย่างนี้เพ่งนะถ้าเพง่งแล้วมันจะดูอะไรไม่ออกอันนี้จูอเบาแล้วครับนะอันนี้จูเบามานี่เบาแล้วเหรอครับเราไปเรียนกับคุณมาลีนะคุณมาลีดูนะใครเพ่งๆเนี่ยวากทีเดียว ตกใจเลยหลุด <c oughs> อ้าต่อไปรู้จักคุณมาลีไหมจริงห <c oughs> ลวงพ่อมีคนช่วยสอนหลายคนแต่บางคนต้องกลับไปพราบหลวงพอ่อบางคนไม่ได้มากลนะับใ น, นมัสกราหรหลวงพ่ อ, พอคะ่ะก็คือปฏิบัติในรูปแบบแล้วก็ถึงสีห้าแต่ว่าเมื่อเร็วๆนี้มีปัญหาใหญ่กับชีวิตก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าที่ปฏิบัติมาทั้งหมดเนี่ย ไม่ได้เรื่องเราก็มีผมถือว่า <ç ha> เราไม่ได้ประดาเอาเรื่องนะเราปฏ <ite> ิบัติเพื่อเรียนรู้ตัวเองไปเราก็จะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วมัน โ, นโลภไปคีดว่าปฏิบัติเรามันจะต้องดีจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้ไม่น่าอย่างนั้นไม่น่าอย่างนี้เราไม่ได้ปฏิบัติว่าเราต้องเป็นอย่างนั้นหรือ <ite> ไม่เป็นอย่างนี้นะปฏิบัติไปมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเราก็จะเห็นเลยว่าจิตเดี๋ยวก็ดีจิตเดี๋ยวก็ร้าย แปรปรวนตลอดเวลาจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงว่าเราบังคับมันไม่ไดนะ้อย่างเวลามันจะโกรธ น, นะห้ามไม่ได้รู้สึกไหมตรงนั้นแหละมันสอนธรรมะเราแล้วนะก็ไปตกใจว่ามันร้ายกว่าที่คิดอีกนะทำไมภาวนามาตั้งนานแล้วมันไม่ดีนะเราไม่ได้ภาวนาออดีนะเภาวนาให้รู้จักตัวเองถ้ารู้จักเราจะพบว่ามันไม่มีอะไรที่เราบังคับได้จริงเลยมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริง ค่อยๆดูไปอย่างนี้นะตั้งเป้าใหม่ไม่ได้เอาดีแต่เอาความจริงความจริงก็คือสภาวะทั้งหลายมาแล้วก็ไปสภาวะทั้งหลายบังคับไม่ได้ไปดูอย่างนี้นะแล้วมันมีความรู้สึกว่ายังมีความทุกข์อยู่วางไม่ได้นะทุกข์ไม่ได้เอาไว้วางทุกข์ให้เอาไว้รู้สมุทัยคือความอยากนะให้ไว้ละขนาดนี้อยากละทุกข์รู้สึกไหมเออเลิอกอยากซะ ให้รู้ทันเลยว่าใจไม่ชอบทุกข์ใจอยากลาทุกข์ดูเข้ามาตรงนี้เลยนี่มันเกลียดทุกข์ดูเข้าไปตรงนี้เลยไม่ต้องไปดูว่าเมื่อไหร่ทุกข์จะหายนะให้จัดการที่ตัวตัณหาเลยนี่กาลังอยากลาทุกข์ยรู้เข้าไปตัวนี้เลยถ้าตัวนี้ดับนะทุกข์ก็ดับไปด้วยแล้วกันบ้างล่ะคะนี่ไงให้ไปดูตัวอยากน ะ, ะอยากให้หายทุกข์อ่ะอยากให้พ้นทุกข์อ่ะรู้แต่ตัวนี้แหละ ของของหนูมันตั้งเป้าผิดหนูอยากปฏิบัติเพื่อจะละทุกข์พนะ่ะพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ละทุกข์ท่านสอนให้รู้ทุกข์ท่านสอนให้ละอยากเังนั้นใจอยากละทุกข์รั้อยากถ้ารู้แล้วความอยากดับไปนะ ใ, นใจก็สบายอต่อไป ก, การมนมัสการค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อ ดิฉันนี่ก็เป็นครั้งแรกที่มาส่งกันบ้านนะคะวันนี้ดีมากน ะ, ะส่งกันบ้านครั้งแรกเยอะเลยค่ะครั้งที่แล้วเนี่ยที่นี่เมื่อวันที่ยี่สิบมีนาก็เป็นครั้งแรกที่มาพบหลวงพ่อนะคะการที่ปฏิบัติวิธีนี้ดิฉันถือว่ามือใหม่มากนะคะโดยที่ลูกชายเนี่ยเป็นคนเขี้ยวเข็นมากให้คุณแม่ทำวิธีนี้ดิฉันติดสมถะคะ่ะ คือที่ปฏิบัติมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสมถะทั้งนั้นเลยตุลล้วนเลยค่ะดีที่รู้ไงค่ะถ้าไม่รู้นะเราก็คิดว่าทำไปเรื่อยแล้วจะบรรลุมรรคผลมันจะไม่ได้บรรลุหรอกค่ะ ก, ก็ถือว่าโชคดีนะคะที่ได้มาเข้าใจวิธีนี้แต่ดิฉันก็ยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวดิฉันขณะนี้อ่ามันเป็นการแยกได้หรือเปล่าแยกขันนะั่นเหรอค่ะ มันแรกนะแต่ว่าจิตขนาดเนี้ยไม่ปกติกใช่ไหมให้รู้ทันไปเพราะว่าตอนแรกที่เขามาเนี่ยจับฉลากได้นี้ตั้งใจแล้วค่ะอธิษฐานจิตมาว่าขอให้ให้ถูกจับฉลากได้เมื่อจับได้แล้วนี่นะคะตื่นเต้นอืแล้วก็หายตื่นเต้นค่ะหายรอจนกระทั่งหลวงพ่อมาก็ใจสบายตลอดเลยคะ่ะพอมาตื่นเต้นตรงท่านที่ผ่านมาเนี่ยจะถึงเราแล้วก็เลย ตื่เต่นมันเลยไม่เหมือนเดิมนะคะิฉันอยากทราบว่าเออเมื่อวานเนี่ยดิมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าคุยกับลูกอยู่แล้วตัวโมโหมันเกิดขึ้นมาเฉยๆแล้วเราเป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกตัวว่าอมันมาได้ยังไงเนี่ยเออดีมากนะอนุมโมทนาถ้าเราเพ่งอยู่ลูกเดียวมันไม่โผล่มาให้เห็นหรอกค่ะแล้วมันก็แสกว่าไม่ได้เพ่งไม่ได้เพ่งค่ะ ไม่ได้เพลงไม่ได้ไม่ไมไมไมทราบว่ามันขึ้นมาเฉ ย, ยๆเอสแล้วทำไมเราต้องโกรธเนี่ยเราต้องโมโหด้วยนะมันก็เป็นอยู่ระยะหนึ่งค่ะอันนี้เราดูตามถูกไห้การวิธีนี้ถูกเราก็ดูนะมันเกิดได้เองแล้วมันก็ดับไปค่ะเ น, นี่ยดูอย่างนี้แหละจะเห็นทุกอย่างนะเกิดมาก็เกิดแบบนี้แหละแล้วก็ดับแบบนี้แหละตัวอื่นๆก็เหมือนกันค่ะ ไ, ไปดูบ่อยนะสุดท้ายปัญญามันจะเกิดว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับ ที่ผ่านมาเราไปประคองจิตให้นิ่งไม่มีอะไรให้เกิดดับให้ดูหรอกนะถ้าปล่อยออกมาได้ก็เริ่มทำงานทำงานแล้วเนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะร้ายกว่าคนปกตินะพวกที่ติดสมาธิเนี่ยอารมณ์มันจะรุนแรงคล้ายๆมันจะคิดตกเปียละฉันนิ่งมานานแล้วเวลาจะเอาคืนแล้ะไม่ต้องตกใจอย่าให้ผิดศีลห้าเท่านั้นพอละ อันนั้นเรื่องศีลนั้นปฏิบัติมาอย่างเคร่งครัดมาดตลอดนะคะเดี๋ยนั่นแหละีละ้วนะคะนะแล้วก็ครั้งหนึ่งที่ได้เคยปฏิบัติทางสมถะเนี่ยได้เดินจงกลมแล้วเจอเวทนาอย่างรุนแรงมากค่ะเวทนารุนแรงมากแทบที่จะละมันแล้วจะทิ้งไปแล้วแต่ก็ตั้งใจว่าเราอธิษฐานไว้ว่าเราจะเดินชั่วโมงครึง่งเราจะไม่ปล่อยมือจากกันเนี่ยไหลเนี่ยมันจะหลุดไปจากล่างแล้วค่ะจนกระทั่ง ทราบว่าธรมารนี่วิเศษเลยความตายเป็นนิดเดียวก็ เ, เลยอธิษฐานมาตายเป็นตายอพอตายเป็นตายเนี่ยนะคะเออเดินไปเนี่ยมันหายไปปิดทิ้งแป๊บเดียวเองค่ะมันหายไปเหมือนแม้ว่าไม่เคยได้เกิดการปวดทรมานอยู่ครึ่งชั่วโมงตรงนั้นดิฉันยอมรับเลยค่ะว่าใช่แล้วที่พระเจ้าท่านบอกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเป็นธรรมดาตรงนั้นใช่ปัญญาหรือว่าใช่อะไรคะ จิตมันมีสมาธิขึ้นมานะมันไม่เร่าร้อนมันไม่ปฏิเสธจิตทรงสมาธิขึ้นมานะ่ยทีความเจ็บปวดก็หายนะแต่มันก็เกิดดับนั่นแหละค่ะแล้วเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะเอาชนะเวทนานะค่ะเราฝึกเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่เราหรอกมันเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปแต่ตอนนั้นมันแค่สงสัยว่าเคยได้ยินว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาแต่เรากัเจอสภาวะเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วมันจะดับไปไหม ถามตัวเองอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วพอมันดับไปนี่มันไวมากมันดับไปเลยนั่นแหละใจมันจะสว่างไปช่วงหนึ่งสบายแล้วเราจะต้องทําแบบนั้นซ้าอีกไหมคะไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ต้องแล้วใช่ไหมคะถ้าจงใจแล้วจะไปให้มันปวดแล้วก็จะไปดูให้มันดับแล้ไม่ได้กินแล้วนะกิลเลสมันหลอกแล้วค่ะดูจากของที่มีจริงๆไม่ใช่ของที่เราไปแต่งขึ้นมาค่ะแล้วอย่างการที่เรารู้หัวใจเราเต้นโดยที่เราไม่ได้ กำหนดมันหรือว่าตั้งใจจะดูมันเต็นอยู่ใช่ถูกแล้วนะคะดิฉันควรจะทําอย่างไรต่อคะไม่ทํำรู้กายรู้ใจอย่างนี้แหละแต่ถ้ามันฟุ้งร้างขึ้นมาก็ทําความสงบเป็นคร่าวๆนะถ้มันมีเที่ยวมีแรงใจมันสงบของโยมมันเพ่งมานานแล้วมันจะมีแรงปีกช่วงหนึ่งนะปีสองปีนี้อาจจะยังไม่ไม่จําเป็นรีบร้อนไม่ต้องนั่งสมาธิตอนนี้หรอก ตอนนี้หละเดินปัญญาไปแต่ถึงช่วงหนึ่งเนี่ยจิมจะเคลื่อนออกไปสว่างอยู่ข้างนอกตัวนั้นไม่พอแล้วต้องทําสมถะใหม่ดิฉันไปเสียธาตรงที่ว่าเอกายมันไปแล้วล่ะค่ะแต่ว่าจิตยังอยู่ใจไม่ดีค่ะกลัวว่ามันจะกลับมาไม่ได้อก็เลยถวายสิ่งที่อันทั้งหมดนี้ครับองค์สมเด็จสัมมาทังมุทิเจ้าเอแล้วกายมันกลับมาก็ได้ดีใจว่าเออเรารู้แล้ววิธีนี้ มันยังไงก็ไม่ไปเสียเส้นเลยล่ะคะ่ะงานนี้พอมาฟังหลวงพ่อแล้วเลยเข้าใจว่าเราพลาดโอกาสไปแล้วไม่เป็นไรถ้าไปตอนนั้นนะมันก็ได้น้อยกว่านี้มีชีวิตยอยู่ยังพาวนาะให้มันสูงกว่านี้ได้คะ่ะยังมีโอกาสนะคะอายุมากแล้วคะ่ะมีมีโอกาสอายุ <c oughs> ไม่มากหรอกบางองคนะ้ําบวชอายุเยอะๆนะอายุมากนะแกแล้วมาบวชอะไรก็มีนะ ถ้าท่านทันที่สุดแห่งทุกข์ของท่านได้ก็มีนะแก่ไม่แก่อยู่ที่ใจถ้าใจมีคิดว่าบางคนนะตัวมันเด็กแต่ใจเนี้ยมันแก่แบบติดแต่ของเก่าๆ เ, เรียนรู้สิ่งใหม่ไม่ได้นี่เรียกวพวกแก่นะจิตของโยมเนี่ย alert มากเลยตื่นตัวที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆเรียกว่าไม่แก่สาธุ ค, ค่ะลดความติดกลัวมาก<จ>แ้วแต่ความบ้างนะคะค่ะ ขอบคุณหลวงพ่อค่ะยิ่งนานนะเราจะยิ่งช็อกไปทำนวัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคนนี้น่าสงสารที่สุดในห้องมันเมันเพ้งสะจนเพ่งเฉยๆไปลวค่ะใช่ไปถามคุณมารีไปต้องแก้กันนานนเลยมนแก้ตอนนี้เนี๋ยคนอื่นเขาโมโหค่ะ ครับในโอกาสนี้เราได้ฟังธรรมกันมาตามสมควรนะครับจะขอเป็นตัวแทนของทุกท่านในที่นี้กล่าวคําถวายทานนะครับทุกท่านพนมมือและน้อมใจตามไปนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายข อ, อน้อมถวายเครื่องปัิจัทยทายาธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมชโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับ เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาละนานเทินยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนตีสาคะรังเอวามวาอิโตตินังเปตานังอุปกปกปติอิชิตังปติตังตุมหังจิปะเมวาสมิชโตสาเปปุเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถา สัพพีติยวิวัตชันตูสัพพารุโควินาตูมาเตภวัตวันตรายสุขีที่อิกายุโกภวะอาภิวาธนาสีเลสสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารธรรมาวันตีอายุวนโนสุขังพลังสาธุอนุโมทนากับทุกคนนะการมาฟังธรรมนะก็เป็นบุญนะ อุาเสียสละมาฟังฟังแล้วเอาไปปฏิบัติจะได้บุญใหญ่กว่านั้นสุดท้ายม่ได้ปัญญาขึ้นมาเป็นกุศลเป็นความฉลาดของจิตแลจะข้ามพ้นจากอะไรบนเบียนที่วุ่นวายนะในโลกนี้จมอยู่กับกองทุกคนอื่นเขาไม่มีทางออกหรอกเขาไม่ได้ฟังธรรมะอนุโมทนากัรทุกคนด้วยสาธุ